ขออนุโมท น, นาต่อเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในภาคของการศึกษาในเรื่องพรหมวิหารอยู่ก็สรุปประเด็นเรื่องของพรหมวิหารทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาได้กล่าวในเรื่องของครั้งก่อนบอกว่าธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐใช่ไหมหรือทำประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ตลอดถึงธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติจึงจะชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดและก็ปฏิบัติตนต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบเป็นตนได้ในหลักการที่บอกว่าเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีเพื่อปรารถนาให้เขามีความสุข มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตีคิดจะทำประโยชน์ให้แกสัตว์ทั่วหน้าโดยไม่เลือกมุทิตาก็เออขอไปกรุณาก็ความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกอันนี้ก็คือการฝ่ายใจในอันจะปลดเปลื้องบาบัดความทุกข์ความเดือดร้อนของปรวงสัตว์ทั้งหลายส่วนมุทิตาคือความพอ ย, ยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขอันนี้บ่งบอกถึงความมีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยความแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในปกติสุขพอยินดีเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สีก็คืออุเบกขาความววางใจเป็นกลางตต่นี้สำคัญก็คืออันจะดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจนารณาเห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงตรงดุจตราช่างไม่เอ็เอียงด้วยรักและชัง อันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาสัตว์ทั้งหลายหรือกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทํำแล้วอันควรจะได้ผลดีหรือผลชั่วสมควรแก่เหตุที่ตัวเองประกอบหลักการตรงนี้ขับเน้นที่ปัญญาด้วยพร้อมที่จะวินิจฉัยหรือปฏิบัติไปตามธรรมะรวมทั้งรู้จักวางเฉยในการที่จะสงบใจแล้วก็มองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทําเพราะอะไรเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วสมควรรับผิดชอบตนเอง และเขาได้รับผลอันสมควรกับการรับผิดชอบของตนเป็นต้นด้วยฉะนั้นบุคคลที่ดำรงอยู่ในพรหมวิหารเนี่ยย่อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาด้วยกรุณาและย่อมรักษาธรรมไว้ด้วยอุเบกขาดังนั้นแม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเวขาที่จะไม่เสียธรรมมาเป็นต้นด้วยไม่ให้เสียหลักการ เพรานั้นพรหมวิหารนี้บางทีก็แปลว่าทําเครื่องอยู่ของพรหมบางทีก็แปลว่าทําเครื่องอยู่อย่างพรหมหรือทําประจําใจที่ทําให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหมเป็นต้นหรือทําเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณนั้นยิ่งใหญ่พรหมวิหารก็มี4อย่างบางแห่งเราจะเจอคําว่าอัปปมัญญาสทั้งหมดก็คือเมตตากรุณามุทิตาและกุเบกขาดังที่ได้กล่าวนี้แหละถ้าพูดถึงในเรื่องของอัปปมัญญาเนี่ยก็แปลว่าการแผ่ สม่ำเสมอโดยทั่วไปแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีขอบจำกัดนั้นพรหมวิหารมีในผู้ใดก็ทำให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อื่นทีนี้ถามว่าเวลาจะประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อื่นก็ต้องต่อด้วยสังคหาววัตถุคือทานปิยาวาทาจาอัตาจริยาและกษมานตต า, า, าเป็นตัวปฏิบัติการส่วนภาคธรรมะที่ควรมีไว้ ประจําใจในี่เขาเรียกพรหมิหารหรืออปามัญญาส่วนภาคที่จะปฏิบัติการออกไปในทางด้านของกายกรรมวจีกรรมหรือในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกไปเนี่ยก็จะต้องมีธรรมะอีกหลักหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งในการที่เป็นตัวขับเคลื่อนท่านก็เลยพูดถึงในเรื่องของหลักของสังฆาวัตถุนะอันนั้นก็ต้องไปขยายกันต่อแต่ตอนนี้ยังพูดธรรมะหลักการอยู่ใช่ไหมไม่ได้พูดถึงในเรื่องของขั้นปฏิบัติการ อันนี้ขั้นหลักการขั้นที่จะต้องมีไว้ในใจนะจะต้องมีไว้กำกับไว้กับจิตใจงี้เป็นต้นเมื่อเช้าก็เลยพูดถึงในเรื่องของเมตตาแลวกรุณาใช่ไม้มก็มีการขยายพอสมควรทีนี้ตอนนี้ก็เลยต้องมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือพูดในเรื่องของมุทิตาใช่ไหมพูดถึงเรื่องของมุทิตา ทีนี้ในด้านของมุทิตาเนี่ยคำว่ามุทิตาเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีเ็าแปลว่าความพรอยยิยนดีแยกศัพท์มายัางไงภาษาบาลีมาจากคำว่ามุทะธาตุในความหมายว่าสหเสแปลว่ารื่นเริงแปลว่าบันเทิงมุทะเนี่ยรื่นเริงบันเทิงลงตาปัจจัยในกิริยากิจ มีอาจวิเคราะห์ตามลําดับก็คือหนึ่งโมทันติตายตังสมังคิโนติมุทิตาแปลว่าอะไรแปลว่าชนทั้งหลายย่อมยินดีต่อผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัตินั้นเหตุนั้นโดยธรรมชาตินั้นนี่ด้วยธรรมชาตินั้นเหตุนั้นในธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ยินดีต่อผู้พร่งพร้อมนั้นก็เลยเรียกมุทิตาเออในความหมายนี้หมายความว่าอะไรเนี่ยมุทิตาเนี่ยก็แปลว่าพรอยยินดี หมอยินดีต่ออะไรต่อบุคคลที่พรั่งพร้อมด้วยสมบัติต่างๆคือพรั่งพร้อมด้วยคุณสมบัติคาว่าสมบัติต่างๆเนี่ยเป็นสมบัติภายในภายนอกได้หมดบางคนเนี่ยโอ้โหมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็หมายความว่ า, วาสภาพร่างกายของเขาบริบูรณ์เนี่ยหน้าตาเขาดีผิวพรรณเขาดียัง หน้าตาดีผิวพรรณดีตาเขาดีจมูกเขาดีลิ้นกายใจทั้งหลายเขาดีเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีเหลือเกินเนี่ยเห็นเพราะเนี่ยมุทิตาเลยพอยินดีเนสมบัติที่เขาได้รู ป, ปกายที่เขาได้เออบางคนลึกเข้าไปถึงนา ม, มาทำเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาเป็นคนมีความเชื่อมั่นสูงโอยเขาเขามีคนมีความขบเพียนรึมขรึามีกําลังของสติคือการระลึกได้ค่อนข้าง รวดเร็วกํากับอยู่กับตัวไม่ฟันเฟือนเลือนหลงมีสมาธิตั้งมั่นได้ดีมีปัญญาความรอบรู้คิดอ่านอะไรได้รวดเร็วโอ้พ่อยินดีกับเขาเห็นหมันมีเรื่องคุณสมบัติทั้งหลายที่เราเห็นเขามีจุดที่พิเศษอนะ่ะอันนี้เป็นความพิเศษขาขึ้นนะผิดปกติเหมือนกันไนหะ้แบบนี้ที่เขาได้อะไรพิเศษพิเศษมาเนี่ยแต่เป็นในพิเศษทางเสียในะพิเศษในทางดีเนี่ยเขาเรียกว่าพั่งพร้อมด้วยคุณสมบัติ พอเห็นความเขาที่พร่างพร้อมเออยินดีต่อความพร่งพร้อมในคุณสมบัติออบางคนมีความพร่างพร้อมทำความสามารถพฤติกรรมที่แสดงออกมามีความสามารถเออเป็นคนมีความสามารถพิเศษพิเศษมากถูกห้องขยันไม่ใช่โอ้คนคนนี้มีความสามารถในการนอนเก่ ง, งนี่เรียกว่าความสามารถไหยใน่สามารถสามารถในการนอนไม่หลับ อย่างนี้อย่างนี้เป็นมุทิตาได้ไ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องตั้งฐานที่กัลปนานผ่านมาแล้วนในประโยคแรกนี่ก็คือมุทิตาประโยคที่สองมาจากคาว่าสายังโมทติติมุทิตาก็แปลธรรมชาติใดย่อมยินดีเองเหตุนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่ามุทิตาอันนี้ยินดีเองอันนี้พูดถึงตัวมุทิตามุทิตานี่จะเป็นความร่าเริงเป็นความบันเทิงเป็นความยินดีที่เกิดขึ้นในใจ แต่มีอะไรล่ะเป็นเป็นเป็นเครื่องให้ระลึกแล้วยินดีประการที่สก็คือโมธนะมัตต์ตเมวะตันติมุติตาธรรมชาตินะก็แปลว่าธรรมชาติมาดว่าความยินดีนั่นแหละเรียวกว่ามุติตาไอ้นี่เป็นความยินดีส่องไปหาตัวความยินดีนั่นเองประการที่สโมธนะมัตตตะเมวะวาตันติมุติตาแปลว่า เพียงความยินดีเท่านั้นก็ชื่อวมุทิตาแล้วอันนี้ก็คือมุทิตาจริงๆจเจริญไม่ยากนะสร้างความยินดีสร้างความบันเทิงสร้างความล่าเริงให้เกิดขึ้นเมื่อประสบพบเจอกับบุคคลที่พรั่งพร้อมในคุณสมบัติต่างๆประการที่หาโมทันติวัตโพโตสตตาโมทันติสาธุสตถาติยติอาทีนันนาเเยนะนะยนะฮิตาสุขาวิปโยขะกามตามุทิตาก็แล้วทั้ ความเป็นผู้ไม่ปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายพัดพลากจากสิ่งอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขโดยในเบนเดอลว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเลื่อนเริงบันเทิงหนอสัตว์ทั้งหลายเลื่อนเริงบันเทิงอยู่ช่างดีหนอช่างดีหนอเ ช, ชื่อมุทิตาก็หมายความว่าออไม่ปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพัด พาดจากสิ่งเัินเป็นประโยชน์เกื้อกูลเห็นสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เห็นสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขเห็นสัตว์ทั้งหลายประสบความสําเร็จในชีวิตเห็นสัตว์ทั้งหลายได้ดีทั้งหลายเหล่านี้ก็มีความรู้สึกว่าขอให้เขาประสบความสําเร็จให้ยิ่งยิ่งเกินไปขอจงอย่าได้พลาดพลาดจากความสําเร็จนี้เลยขอความสําเร็จตรงนี้จงบริบูรณ์เพิ่มพูนกับเขาตลอดกาลและตลอดไปเถิดมีไหมคิดอย่างนี้กับคนอื่น เคยฝึกคิดแบบนี้ไหมล่ะเออเนี่ยการไม่เคยฝึกคิดอย่างนี้บ่งบอกว่าไม่มีมุติตาส่วนประการที่6เนี่ยมาจากคำว่าตัดถากกรรมตากตมานตัดถกกตมามุติตายาสตเตสุมุติตามุติตายยนามุติตายิตัดตังมุติตาเจโตมุติออยังมุจติมุติตาก็เลยธรรมชาติ บรรดาธรรมเหล่านั้นมุติตาเป็นชนไหนความพลอยเย็นดีกิริยาที่พลอยเย็นดีภาวะที่พลอยเย็นดีมุติตาที่เป็นเจโตมุตอันใดอันนี้เรียกมุติตาเจโตมุตแปลว่าอะไรแปลว่าบุคคลที่ฝึกมุติต า, ตาจนสามารถยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นโอ้โหอันนี้อันนี้สุดยอดแล้วนั้นจากข้อความสักการมาก็มุติตาก็หมายถึงความยินดี รอยยินดีต่อความสำเร็จต ja e <reci> <hết> <eze> ่อคุณความดีของบุคคลอื่นต่อการได้ราบได้ยศได้ความสุขได้รับการสรรเสริญของบุคคลอื่นย่อมเกิดขึ้นแกสาธุรชนเมื่อได้ประสบพบเห็นคนหรือสัตว์ที่ประสบความสำเร็จเมื่อพบเห็นคนหรือสัตว์ที่ประสบความสำเร็จผู้ประกอบด้วยคุณงามความดีได้รับความสุขในปัจจุบันหรือผู้ประกอบคุณความดีทั้งหลายแต่ปัจจุบัน ตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากแม้บุคคลประเภทหลังนี้ก็สามารถเจริญความพอยินดีได้เหมือนกันโดยนึกถึงผลคุณความดีที่เขาเคยได้ทำไว้ในการก่อนอันนั้นคนละประเด็นกันนะสรุปก็คืออย่างนี้ไอ้ตรงนี้โลกขาดตัวนี้กันเยอะขาดไอ้ตัวมูทิตาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่กล้าจะพอยินดีกับบุคคลอื่นหรือไม่มีจิตอาหาร ไม่พลอยแสดงมุทิตายคนอื่นให้ชัดแต่ฝึกเจริญอย่างนี้มากๆๆแล้วเนี่ยตัวไหนจะถูกทําลา ย, ายาลติยาสิลติยาจะโดนทําลายไอฤติยานี่ยมันยินดีคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่นี้มุทิตาเทียมกับมุทิตาแท้กัอนอาต่อไปดูมุทิตาเทียม เดี๋ยวนี้เราจะเจองานแสดงมุทิตากันเยอะเพื่อนแต่งงานไปแสดงมุทิตากเกษียณอายุไปแสดงมุทิตาใช่ไหมหรือว่ามีการจัดงานมุทิตาสากาละอะไรเนี่ยนะคนได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับตำแหน่งหน้าที่อย่างช่วงเนี้ยมันจะมีสองช่วงเดือนถ้าทางข้าราชการก็คือช่วงสิ้นกันยาขึ้นตุลาเนี่ยโอ้แสดงมุทิตากันเป็นแถวกับคนที่ได้รับตาแหน่งเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนบ้างเลื่อนยศเก้าอีกคนนึงกเกษียณอายุบางทีก็จัดงานมุทิตาสการะงานกเกษียณอายุเออแต่มันแสดงผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้มุทิตาตอนกเกษียณเนีเ่ยเกษียณแปลว่าสิ้นนะเนี่ยแต่เขาพยายามไปแสดงมุทิตากันงานบทดอำนาจ เอานั้นค่อยว่ารายละเอียดที่มุทิตาเทียมเนี่ยมุทิตาที่เจือด้วยอกุศลเจือด้วยกิเลสเจือด้วยราคาโทสะเนี่ยได้แก่มุทิตาของบุคคลที่พรอยินดีต่อความสําเร็จในด้านต่างๆของผู้อื่น <c oughs> แต่มีความยึดถือมั่นหรือมีขอบเขตจํากัดมุทิตานี้ย่อมเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆและคนคุ้นเคยกันที่รักที่ไข่กันประสบความสําเร็จ ซึ่งเป็นมุทิตาของบุชนชาวโลกโดยทั่วๆไปนะเป็นมุทิตาที่มุ่งหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> เช่นพ่อแม่เพื่อนฝูงทั้งหลายเหล่านี้เนะี่ยได้เลื่อนยศ <c oughs> ผู้เป็นบุตรหลานญาติมิตรหรือพี่น้องทั้งหลายก็พลอยยินดีไปด้วย <c oughs> โดยนึกคิดในใจว่าตนเองก็พลอยมีหน้ามีตาไปด้วย <c oughs> มีชื่อเสียงไปด้วย เหตุผลที่ตนเองไปยินดีเนี่ยเพราะว่าตนเองนี่แหละมีส่วนได้เราต้องไปแสดงมุทิตาหน่อยเนี่ยเพื่อนประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนได้รับลาบเลียเกียรติยศชื่อเสียงนี่ไหมพ่อแม่ญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้ประสบความสำเร็จในชีวิตเออมันเกี่ยวข้องกับเป็น ญ, ญาติของเราเพราะเกี่ยวข้องเป็น ญ, ญาติของเราก็เลยแสดงมุทิตาด้วย การที ain, ่เราไปแสดงมุทิตาด้วยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราได้ด้วยเราก็มีหน้ามีตาไปด้วยคนคนนี้เป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นป้าเราเป็นน้าเราเป็นปู่ตายายใาเป็นเครือญาติของเรากำลังประสบความสาเร็จในชีวิตจากนั้นที่เราไปแสดงมุทิตานี่แปลว่าไปพอยยินดีด้วยเหตุที่ไปพอยยินดีด้วยก็คือเราได้ด้วยไหมเราได้หน้าได้ตาด้วยได้ชื่อเสียงไปด้วยนามสกุลเดียวกับเราพอดีอย่างนี้ กรณีอย่างนี้ก็เรื่อมุทิตาเทียมมุทิตาประเภทนี้เป็นมุทิตาที่เกจยอด้วยกิเลส <c oughs> ซึ่งเป็นมุทิตาที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถูกต้องผู้ปฏิบัติจําต้องพัฒนามีสภาพที่มุทิตาแท้ต่อไปก็ย่างอันนี้เป็นการพอยินดีที่ไม่ไม่ปลอดโปร่งไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ส่วนมุทิตาแท้เป็นมุทิตาที่เป็นกุศลที่เป็นไปกับความฌานฉลาดไม่เจือด้วยกิเลสได้แก่มุทิตาของผู้ที่ เมื่อพบเห็นบุคคลประสบความสาเร็จในด้านต่างๆทั้งๆที่ว่าผู้ที่กำลังกระทำคุณความดีอยู่ก็มีความรู้สึกพรอยยินดีไปกับเขาด้วยไม่จำกัดว่าผู้ที่ประสบความสาเร็จนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นญาติจะเป็นคนคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคย <c oughs> ไม่เกี่ยวแม้แต่คนนั้นเป็นศัตรูเป็นคนที่เราไม่ชอบแต่เมื่อทราบข่าวว่าท่านันนี้กาลังประสบความสาเร็จในชีวิต ก็สามารถพลอยยินดีปราบปลืม้มพล้าเริงบันเทิงใจในความสาเร็จของบุคคลเหล่านั้นได้โดยไม่มีความคิดเลยว่าตนเองจะได้ประโยชน์เนื่องจากความสาเร็จของเขาหรือไม่อีกอย่างหนึ่งในขณะที่ไปพลอยยินดีไปพลอยชื่นชมไปมุทิตากับเขานั้นน่ะก็ไม่ได้ความคิดเลยว่าตนเองจะได้รับหรือจะรู้สึกเดือดร้อนใจไม่มีความริษยาต่อการที่เขาได้ดีมีสุข แม้แต่คนที่เขาเป็นศัตรูกันนะเขาประสบความสําเร็จก็ยังสามารถพร้อยยินดีกับเขาได้ด้วยชื่นชมกับเขาด้วยน้ําจิตน้ําใจที่แท้จริงอันนี้มุทิตาแท้เนี่ยเป็นแบบนี้จะมีสภาพจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสไม่คุณมัวเนื่องจากมุทิตานั้นเป็นสภาพของมหากุศลเป็นปีติเป็นสมนัตเป็นความเชื่อมั่นเป็นกําลังของศรัทธาเป็นกําลังของความเพียรเป็นกําลังของสติเป็นกําลังของสมาธิและปัญญาที่รู้และเข้าใจปรเกิดร่วม เลยกระตุ้นเตือนในตัวมุทิตาพ อ, อยินดีเกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยไม่ไปคิดว่าคนคนนี้เราชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่กลับไปดูกระบวนการที่เขาทำสิ่งที่ดีงามและได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ก็มุทิตาแท้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้มอง อ, อกอยังยากไหมมุทิตาจเจริญยากหรือง่าย โอ้โหถ้ามองเจริญมุทิตาได้เนี่ยจะรู้สึกว่าจิตใจจะเปิดกว้างเลยนะเป็นมหากุุสสรุปก็คือว่ามุทิตาแท้เท่านั้นเมื่อบุคคลบำเพ็ญเจริญแล้วตนเองจริงจะมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเจริญแล้วถึงจะได้สภาพของมหากุศลที่แท้จริงนะจิตสะอาดเยี่ยมอองฟองแผ้วจะเกิดขึ้นจิตที่ไม่เครียดจิตที่ไร้มนทินจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่น จิต ท, ที่แก้วกล้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นจิต ท, ที่เป็นกับความเป็นไปกับความสุขเบิกบานผ่องใสมีความไม่เดือดร้อนใจเนื่องจากเป็นมหากุศลจิตโดยตนเองเต็มเปี่ยมไปด้วยสภาพจิต ท, ที่เบิกบานสภาพจิต ท, ที่สดชื่นแจม่มใสพอยินดีต่อความสําเร็จของบุคคลทุกคนโดยไม่มีการยึดมั่นถือมั่นว่าจะเป็นพี่น้องจะเป็นพ่อแม่เป็นต้นซึ่งต่างกันจากมุทิตาเทียมไอ้มุทิตาเทียมที่เจือด้วยอกุศลเป็นสภาพของโลภะ ซึ่งเป็นอกุศลจิตยังมีอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นขอบเขตจํากัดรวมถึงการที่ตนพอยินดีด้วยก็เพราะมีความหวังที่จะได้รับประโยชน์ได้รับหน้าตาได้รับได้หน้าได้ตาเป็นต้นด้วยมืทิตานี้เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกก็เป็นมหากุศลนะต่อมาด้วยความเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นอาโยนิสมานาสิการการไม่ฉลาดคิดไม่คิดโดยอุบายอันแยบคายมหากุศลจิตก็เสื่อมไป พอมหากรุสรจิตเสื่อมไปอกศุศลก็เกิดขึ้นแทนดังนั้นผู้บำเพ็ญเพียรจำต้องเพียรพยายามพัฒนาให้มหากุสรจิตที่เป็นมุทิตาแท้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องคนบังคนในบางทีมันได้สลับซับซ้อสลับกันไปนะการไปเจริญมุทิตาตาเนี่ยไม่ใหม่อาจจะเป็นมุทิตาแท้แหละเจริญไปเจริญมาเพาเกิดไปเกิดมากลายเป็นของเทียมเกิดขึ้นมาเลยเอาแต่นี้ดูลักษณะของมุทิตา มุทิตาใช้ในสถานการณ์ไหนปกติหรือผิดปกตออิขาขึ้นในขณะที่เขาประสบความสาเร็จนะมุทิตาในสถานการณ์อื่นมีสุขสำเร็จกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีลักษณะของมุทิตาก็คือพรอยยินดีหรือยินดีด้วยอั่งที่ได้กล่าวมาแล้วนี่แหละยินดีด้วยยินดีต่อความสำเร็จของบุคคลอื่นนะ แปลว่าความยินดีหรือว่าความยินดีนั่นแหละเรียกว่ามุทิตามุทิตานี่เนี่ยอัตกระถาท่านขยายอย่างนี้ว่ามีความยินดีด้วยเป็นลักษณะ <c oughs> ถามบอกว่าอะไรคือมุทิตาอะไรเป็นลักษณะรักษาปัจุบฐานปานิฏฐฐานก็มุทิตาเหมือนอะไรเปรียบเสมือนมารดาบิดาที่มองดูบุตรน้อยคนเดียวของตนแล้วมีความชื่นชมและพูดภาษาทุ ดีแล้วดีแล้วฉั้นใดผู้เจริญมุทิตาเพื่อสรรพสัตว์ก็ชันนั้นแหละความสงบแห่งจิตในมุทิตาเรียกว่าปัจจุบันฐานความชื่นชมเป็นลักษณะความไม่หวาดกลัวเป็นรสและความสิ้นไปแห่งความไม่ชอบเป็นประทัด ฐ, ฐานของมุทิตานี่แหละทีนี้ตัวมุทิตาดังที่ได้กล่าวว่าพรอ ย, ยินดียินดีด้วย หน้าที่เวลาตัวมุทิตาจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ลิษยาคือเป็นปฏิปักษ์ต่อลิษยาเขาจะเกิดขึ้นมาเขาจะไม่ลิษยาจะไม่มีความรู้สึกไปลิษยาใครเลยไม่พอใจอะไรใครเลยก็จะพอยินดีผลปรากฏก็คือเขาขจัดอะไรขจัดความลิษยาความไม่ยินดีความทนไม่ได้ต่อความสําเร็จของบุคคลอื่นเขาจะขจัดสภาพธรรมเหล่านี้หมดสิ้นไปอะไรเป็นประฐาน ความสำเร็จของสัตว์ทั้งหลายนี่นแหละเห็นเขาประสบความสำเร็จดังที่บอกว่ามุทิตาเนี่ย <c oughs> เป็นความพอยินดีต่อทรัพสมบัติหรือคุณความดีความสำเร็จในด้านต่างๆของคนอื่นปราศจากความอิจฉาหริสยาเป็นลักษณะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยมตรีชื่นชมยินดีต่อทุกคนนะเหมือนกันหมด มุทิตานี่เป็นกุศลเ จ, จตซึ่งมักจะเกิดขึ้นแก่คนดีทั้งหลายมีลักษณะไอ้นามธรรมเหล่า น, นี้เวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยมเมื่อบุคคลสามารถกระทำให้ปรากฏเป็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ปุ๊บพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจานี่นก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความพอ ย, ยินดีโดยไม่มีเงื่อนไขคือไม่ได้หวังประโยชน์อันใดเพื่อตนเลยนะคนุณธรรมข้อ น, นี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เขาเจริญแล้วฝึกให้เกิดขึ้นได้จริง แต่สำหรับคนชั่วทั้งหลายคนต่ำสามทั้งหลายเวลาเมื่อเห็นคนอื่นเขาประสบความสาเร็จปุ๊บแทนที่จะพอยินดีกับเขาแต่ไม่เลยกลับรู้สึกไม่พอใจเกิดอิจฉาลิสยากลัวคนอื่นจะได้ดีกลัวคนอื่นจะดีกว่าตนเองทับเทียมตนเนี่ยหรือดีกว่าตนเนี่ยอันนี้เป็นตัญหาประเภทวิภาวะเขาเรียกมีความเดือดร้อนใจเมื่อคนอื่นได้ดีมีศกอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ อมองไปในรายละเอียดที่จริงเดี๋ยวเอาไว้สรุปตอนท้ายๆก่อนดีกว่าที่จริงถ้ามองในรายละเอียดทั้งหลายอะไรเนี้ยก็จะสก็จะมองไปจนถึงในตัวสมบัติวิบัติค่าศึกไกลข้าศึกใกลนะ้อันนี้ยังยังไม่สรุปก่อนอันนี้พูดถึงในด้านของสภาพของมุทิตา ออลักษณะของมุทิตาดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมากลับมาขยายอีกทีเนี่ยให้ไปที่ในเรื่องของอุเบกขาก่อนนี่พอจะเข้าใจในเรื่องของมุทิตาพอสมควรนะเดี๋ยวต้องมาสรุปอีกทีนึงสรุปเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเอาความหมายวันนี้ให้จบอ้าวเข้าขอ้งอุเบกขา อุเบกขาเนี่ยเป็นคําภาษาบาลีก็แปลว่าความวางเฉยความวางตัวเป็นกลางการวางใจใจเป็นกลางยอยู่เฉยด้วยเป็นกลางด้วยเนี่ยอุ ป, ปะกับความอิขะอิขาท่าด้ความหมายว่าทัศนะแกว่าเห็นหรือดูอิขะในการมองดูมองดูอยู่ลงอ ป, ปัจจัยในกริยากิจในรูปอิถิลิงเป็นอาลบสระหน้าวิกาแะอิเป็นเอก็สําเร็จรูปเป็นอุเบกขาเนี่ย อวิเคราะห์แต่ละอย่างมาจากคาว่ายาอุเกขาอุเบคนามัชตาจิตตะสะออยังวุจติอุเบขาก็แปลว่าความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยกิริยาที่วางเฉยยิ่งความเป็นกลางกลางแห่งจิตภาวะที่วางจิตเป็นกลางอันนี้เรียกว่าอุเบขานี่ความหมายที่หนึ่งดันั้นอุเบขาในที่นี้เป็นเรื่องของการวางใจเป็นกลางแล้ว เป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายที่ได้พูดไปแล้วความวางใจเป็นกลางอันที่จะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาก็คือมีจิตเรียบด้วยตรงเที่ยงตรงดุตราช่างโดยไม่เอ็นเอียงด้วยรักไม่เอ็งเอียงด้วยชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทาแล้วอันควรได้รับผลดีหรือผลชั่วสมควรแก่เหตุอันตนเองประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยปฏิบัติไปตามธรรมะรวมทั้งรู้จักวางเฉยแล้วก็สงบดูด้วย ในเมื่อไม่มีกิจที่จะควรทำเพราะว่าเขารับผิดชอบตอนเองดีอยู่แล้วเขาสมควรที่จะรับผิดชอบตอนเองหรือเขาได้รับผลสมควรแก่การที่เขาจะรับผิดชอบในนั้นทีนี้ในความหมายที่หนึ่งเนี่ย้ความว่ากิริยาที่วางเฉยยิ่งด้วยความเป็นกลางด้วยแห่งจิตอันใดอันนี้เรียกพุนุเบขาส่วนอีกความหมายหนึ่งมาจากคาว่าปัญญาสันติสเกณรมีมนาติสุขทุขเขนสุขอชุ ป, ปิกขา เป่ขาก็แปลว่าความวางใจเฉยในสุขและในทุกว่าสัตว์ทั้งหลายจักปรากฏได้รับสุขได้รับทุกข์ด้วยการกระทําของเขาเองใช่ไหมล่ะเขาจะได้รับความสุขเขาจะได้รับความทุกข์เนี่ยมันเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลอื่นไหมเขาต่างหากเป็นผู้ที่ต้องกระทําเองเมื่อเขาสร้างเหตุแห่งสุขเขาก็ได้รับความสุขสร้างเหตุแห่งทุกข์เขาก็จะรับความทุกข์ใช่ไหมเมื่อเขาสร้างเหตุแห่งความสุขที่เป็นไปกับกุศล สภาพใจของเขาก็เป็นไปกับกุศลอยู่แล้วสภาพจิตของเขาก็เอี่ยมอ่องผ่องแผ้วสะอาดอยู่แล้วจิตก็เป็นไปกับความสุขปัญญาก็เกิดขึ้นกับเขาอยู่แล้วบุคลิกภาพเขาก็เป็นไปในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นอยู่แล้วเห็นไหมว่าสัตว์ทั้งหลายจะรับความสุขก็เพราะกรรมคือเขาก็ทําเองสัตว์ทั้งหลายจะรับความทุกข์ความเครียดความกลุ่มความเดือดร้อนตลอดถึงประสบปัญหาชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยใครเป็นคนทําให้ใครทําเองใช่ไหม กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำนั่นแหละก็ได้รับให้การนอนหลับลืมนอนไม่หลับนี่ใครเป็นคนทำให้เราใครทำฮะกิเลสทำใช่ไหมเนี่ยจริงๆมีตรงนั้นจริงๆนะเหตุผลที่เราจะได้รับสุขได้รับทุกหรือเป็นไปต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กระทำนะเหมือนกัน เวลาเราไปเจอปัญหาชีวิตใดๆเกิดขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะจะเห็นโอ้โหแต่ก่อนเราจะโทษข้างนอกเนะจะโทษอย่างอื่นสรารภาพพ่อแม่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นเคยไม่เคยเคยไม่บางทีบางครั้งเราไปโทษสิ่งอื่นแต่จริงๆคือเรานี่ยแตเป็นบวกคลธรรมประการที่สามมาจากคาว่าอุปปัตติโตอิกตีติอุเปขาสังมัสติอปกขะ ติตตาวะหุตาวาปสติติอโถตายะวิสาทายะวิปุรายะธามคตายะสมันนาคตตะตะ ต, ะ ต, ะติยัตชานะสมังคีอุเปกขตโกติอุจติแปลว่าธรรมชาติใดย่อมเห็นโดยอุบัติคือเห็นสม่ำเสมออธิบายว่าเห็นโดยความไม่ตกเป็นฝักฝ่ายก็คือไม่ไหลไปหาราคาความกำหนัดไม่ไหลไปหาปฏิฆะ เพเหตุนั้นยึงชื่อว่าอุเบกขาอุเบกขาที่ได้ในตัติยชาญท่านเรียกว่าอุเบขาอุเบากขะเพราะว่าประกอบไปด้วยเบกขาอันผ่องใสไพบูรณ์และมีพลังอุเบกขาในที่นี้ท่านนู่นไล่ไปถึงชาญด้นะที่จริงในอัตถกถาท่านขยายไว้10ประการนะเป็นอุเบกขาที่เป็นชรังกุเบกขาก็ได้เช่นมีความวางเฉยอันเป็นอาการไม่ละความไม่ลาความหมดจดและความปกติในอารมณ์ทั้ง6 วางเฉยในอารมณ์ทั้งหเป็นอุเบกขาของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก language language ็วางเฉยในสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณพ์และธรรมอารมณ์แลังกุเปกขาก็ได้ความวางเออโพชชังคับเปกขาได้แก่ความวางเฉยอันเป็นกลางกลแห่งธรรมทั้งหลายที่สหละคดกันอันนี้ปรับธรรมะให้มีความสมดุลกันอันนี้เรื่องของโพชงวิรยุเปกขาได้แก่ความวางเฉยความเพียรที่ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปอันนี้ปรับ สังขารุเปกขาได้แก่ความวางเฉยเป็นกลางๆในการพิจารณาถึงนิวรธรรมเป็นต้นแล้วก็หยุดยั้งอยู่เวทนุเปกขาได้แก่วางเฉยคือความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเปกขาผมมีหารเนี่ยวิปัสณุเปกขาวางเฉยอันเป็นกลางๆในการวิจัยในการวิจัยวิจยะด้วยตัตรูมัชชุเปกขาก็วางวางเฉยอันเป็นไปโดยสม่ำเสมอในสาชาธรรมชนชานุเปกขานี่เป็นการอย่างการตกไปฝักฝ่ายเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของ ธรรมปริสุดที่อุเปขาได้แก่ความวางเฉยมริสุธิ์จากธรรมมันเป็นค่าศึกเอาแต่นี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอุเบกขาเนี่ยฉะนั้นเนื่องจากความข้างต้นในอุเบกขาพระวิหารคือความวางเฉยที่ท่านผู้บําเพ็ญเพียรเจริญทําให้มีให้เกิดขึ้นแผ่ไปในสัตว์เนี่ยโดยการที่แปลกไปจากพระวิหารสมข้อแรกก็คือไม่ใช่เมตตาไม่ใช่กรุณาแล้วก็ไม่ใช่พุทิตาข้างต้นนั้น คือไม่มีความเพียรพยายามวขวนขวายที่จะให้เขามีความสุขโดยในว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่ได้วขวนขวายอย่างนั้นไม่มีความเพียรพยายามจะช่วยเหลือให้พ้นจากทุกขโดยในว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เถิดก็ efendim, ไม่ได้ไขวนขวายอย่างนั้นและก็ไม่มีความพอ ย, ยินดีต่อผู้อื่นโดยในว่าสัตว์ทั้งหลายจงบันเทิงบันเทิงจ justo, ร, ริงหนอประสบความสาเร็จหนาเนี่ยเห็นไหม แต่การเจริญไปโดยในที่ท่านกล่าวบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์นั้นทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมสัตว์เหล่านั้นจะต้องมีจะต้องได้รับความสุขจะได้รับความทุกข์หรือจากเสื่อมก็ดีจากสมบัติจะได้ดีตกยากก็ด้วยความชอบธรรมของกรรมกรรมตัางหากเป็นตัวจําแนก ทำให้สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับผลของการกระทำนั้นนั้นเออพอพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บวางใจเป็นกลางชัดเลยไหมเนี่ยอุเบกขาเจริญยากไหม ย, ออยากใช่หมแต่ต้องเจริญต้องฝึกใช่หมละ่ะอุเบกขาพรหมวิหารนี้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้บาเพ็ญพรหมวิหารสามขั้นต้นจนได้บรรลุถ้าจะเอาอยางอุกฤษจริงๆนะจนได้บรรลุฌานที่สามในจตุกนไณนะหรือฌานที่สี่ในปัญจมะณี เป็นสภาพที่บริสุทธิ์ละเอียดสุ ข, ขุมลุ่มลึกกว่าพราะวิหารสข้อข้างต้นนึ่งคือลึกกว่าเมตตากรุณาเมตตาและเมื่อสาธุชนนํามาไปยุกใช้ในชีวิตประจําวันก็ย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อให้ได้ประสบกับสถานการณ์ที่เจอเมื่อเจริญเมตตาเจริญกรุณาหรือเจริญมุติตาแล้วเป็นการไม่สมควรเช่นไม่ใช่วาลัที่จะไปเจริญเมตตากรุณาเช่นสถานการณ์ที่ญาติสนิทของตอนเองเป็นกนระทําอกคติรรกรรม มีการไปป้นไปฆ่าผู้อื่นเป็นต้นต่อมาเนี่ยถูกตำรวจจับแล้วในส่งฟ้องศาลพิภาคสาหารชีวิตในสถานการณ์เช่นเนี้ยโอ้โหจะไปเจริญเมตตาปราถนาให้มีความสุขได้ไหมแต่ในขณะนั้นเขากาลังรับความทุกข์เพจะถูกประหารเมตตาเกิดขึ้นไม่ได้หากเจริญกรุณาปราถนาเขาพ้นจากความทุกข์หรือพยาาม้เขาพ้นจากาการถูกประหารโดยการให้สินบน ก็ย่อมถูกตีเตียนโดยการช่วยเหลือคนผิดซึ่งเป็นการกระทาที่ไม่สมควรอีกใช่ั้มและในฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองก็ถือว่าผิดด้วยประการต่อมาคือจะมุติตาพลอยนินดียิ่งไม่สามารถจะเจริญได้เลยดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้สาธุชนคนดีทั้งหลายควรเจริญอะไรควรเจริญอุเบกขาคือวางใจเฉยวางใจเป็นกลางปล่อยให้ดาเนินไปตามกฎหมายอันสมควรแก่กรรมคือการกระทาของเขา ในสถานการณ์ที่ดีเนี่ยเมื่อบุคคลเนี่ยเป็นที่รักเป็นต้นเนี่ยทำการงานหน้าที่ของตนเองดีอย่างเมื่อกี้เป็นสถานการณ์ร้ายเนียพอจะเข้าใจใช่ไหมสถานการณ์เมื่อสักครู่คนจะเจริญเบกขาย่ังไงทีนี้อีกสถานการณ์หนึ่งเมื่อบุคคลเป็นที่รักเป็นต้นเนี่ยทำการงานของตนดีเขาเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เขากำลังดำเนินชีวิตของตนเองด้วยการขนขวายทําสิ่งที่ดีงามทําสิ่งที่เจริญทําสิ่งที่เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยความเจริญเขากําลังดําเนินชีวิตของเขาอยู่ไม่มีสิ่งใดต้องเป็นห่วงกังวลผู้ปฏิบัติก็สามารถเจริญอุเบกขานี้ไปได้ออในคัมภีร์วิสุทธิมรรตา น, นุปมาบอกว่ามารดาย่อมไม่แสดงความขนขวายด้วยเหตุไรๆต่อเมื่อบุตรนั้นจัดแจงการงานของตนดี และในสมังคะละววลาศนีก็คือในปปัญจโสธนีก็ดีในปรมัติมันชุษาก็กล่าวว่าเหมือนดังสารถีเมื่อม้าวิ่งถูกทางเรียบสนิทดีก็นั่งคุมสงบนิ่งคอยดูเฉยๆนี่เหมือนกันในสถานการณ์ที่เขากำลังทำกิจกรรมการงานของเขาเป็นไปด้วยดีอยู่ เ, เห็นสมเณรบอมเขากาลังถูทาความสะอาดฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ โอ้ไม่ต้องไปช่วย <c ười> นะปล่อยให้ทําให้มีโอกาสได้ฝึกตนเองเพราะแหมเนี่ยแต่ก่อนไม่ค่อยฝึกแต่เดี๋ยวนี้สมมุติฝึกกําลังทําอย่างเลยนี่ปล่อยวางใจเป็นกลางดูดูอยู่ได้จิตใจเรียบเฉยเขากําลังทำำํากรรมใช่ไหมทำกรรมคือทํากรรมดีอยู่ทําสิ่งที่ดีงามอยู่เขากาลังฝึกผลพัฒน า, า, ากระแสชีวิตทั้งพฤติกรรมของเขาก็จะไ ด, ด้สิ่งที่ดีงามจิตใจเขาก็เ ข, ข้มแข็งขึ้นปัญญาเขาก็ได้ฝึกโอก็ฝึกทั้ง พฤติกรรมจิตใจและปัญญาอันนี้ก็วางใจเป็นกลางดูให้เขาได้มีโอกาสฝึกตนเองพัฒนาตนเองอย่างนี้เป็นตน้นระมองอยงอุเบกขาเนี่ยมันจะมีอุเบกขาเทียมกับอุเบกขาแท้อุบกอุเบกขาเทียมเนี่ยมันเจือด้วยอกุศลเป็นอุบะอุเบกขาที่เจือด้วยกับบาปนี่นะเป็นอวิชาอาวิชาในความไม่รู้อุเบกขาแบบโง่เนี่ยก็จะ เ, เฉยโง่เฉยแบบโง่โง สับเขาเรียกว่าอัญญาณุเปกขาเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเคยเป็นไหมล่ะเฉยแบบมืน่นมืน่นงงงโง่แยกไม่ได้แยกแยะเหตุผลไม่แยกแยก่กรรมและผลของกรรมละ่ะเป็นความวางเฉยในสถานการณ์ที่ไม่ควรวางเฉยเช่นเวลาไปพบเห็นคนทั่วไปอ่ะเขามีก็ไปมีความวางเฉยไม่สนใจต่อเขาเหล่านั้นความจริงสถานการณ์เช่นนั้นควรจะเจริญเมตตาแผ่ความปรารถนาดีให้ทุกคน ที่ตนได้ประสบพบเห็นให้เขามีความสุขความเจริญใช่ไหมโดยการแสดงออกทางกายหรือทางวาจาเท่าที่ตนเองจะกระทําได้ลักษณะอย่างเนี้ควรจะเจริญเมตตาก็ไม่เจริญแต่ไปวางเฉยไม่รู้เรื่องไอ้นี่ไปใช้อุเวขาโง่นี่นะไม่รู้เรื่องประการที่สองไปพบเห็นบุคคลที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาเจ็บป่วยเขากําลังต้องการความช่วยเหลือเออตนเองก็กลับวางเฉยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ทุลาของฉัน เนี่ยวางเฉยแล้วเฉยเมยไปอีกอันนี้ผิดไหมเนี่ยความจริงสถานการณ์เช่นนี้ควรจะเจริญกรุณาช่วยเหลือทันทีเมื่อเพื่อจะให้เขาเนีพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้หรือเมื่อไปประสบพบเห็นบุคคลที่กําลังประสบความสําเร็จบันเทิงอยู่เขตประ ส, ระสบความสําเร็จนะ่ยมีได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ได้ลาบได้ยศได้ความสุขได้รับการสรรเสริญตนเองก็กลับวางเฉยไม่แสดงความยินดีต่อความสาเร็จของเขาความจริงสถานการณ์อย่างนั้นควรจะเจริญมุทิตาแผ่ความพอ ย, ยินดีไปให้เขาหรือสนับสนุนส่งเสริมเขาแต่ก็เฉยอีกลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ละเป็นบ่อยไหมในชีวิตประจาวัน นั่นในชีวิตประจำวันโดยส่วนใหญ่เราก็เป็นอย่างนี้เดินไปเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในภาวะปกติก็เฉยๆไม่สนจห็นไหมาโหตายเลยเนี่ยอุเวขาเนี่ยเฉยเมยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเอามาจากวิชาเป็ น, น, นัญญาณุเปขาด้วยสถานการณ์นี้ควรเมตากับไม่เมตตาเอาไปเจอคนเขาต้องการความช่วยเหลือประสบความทุกข์ เฉยแล้ววางเฉยแล้วก็ยังไปบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นการเจริญธรรมะถูกด้วยนะสาร ก, การณ์นี้ควรเจริญกรุณาแต่ก็ไปวางวางเฉยสิยสาน ก, การณที่ไปเจอเขาประสบความสําเร็จควรจะมุดที่ตาพอยินดีกับเขาก็เฉอยอีกก็โหสังคมแบบนี้เป็นสังคมอะไรเนี่ยสังคมที่ไม่สนใจกันน่ากลัวนะสังคมแบบเนี้ไม่สนใจ ไม่สนใจคนอื่นเอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งใครจะได้ดีโตกยากใครประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จฉันไม่สนอยู่แต่กฎอยู่กติกาทั้งหลายนี่ข้สังคมเมริกันจะเป็นอย่างนี้เยอะเป็นสังคมอุเบกาสังคมประเทศไทยก็มีเมตตากรุณากเกษียมุทิตากเกษียณอุเบกขาเสียเอาต่อไปดูเบกาแท่อุเบกขาแท้เนี่ยเป็นความวางเฉยที่มีขอบเขตจํากัด คือหากเป็นคนที่เป็นกลางกลางและคนที่เป็นศัตรูเมื่อเขาทำทุจริตเป็นต้นแล้วได้รับการลงโทษตนเองก็วางเฉยได้แต่หากเป็นผู้ที่เป็นที่รักเป็นบิดามันดาเป็นต้นไม่สามารถจะวางเฉยได้โอเคอุเบกขาเทียมจะเป็นอย่างนี้นะเอออย่างเี้ยอย่างเี้ยยังไม่ใช่อุเบกขาแท้ก่อนเป็นอุเบกขาเทียมดังนั้นอุเบกขาประเภทนี้สามารถ ให้ความจำกัดความได้ว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นอเวขาที่เจือด้วยกิเลสเป็นสภาพที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติจะต้องพัฒนาฝึกฝนให้พัฒนาสู่อุเบขาแท้โดยดุเโดยเร็วด่วนประการที่สองคืออุเบขาแท้อุเบขาแท้ในเป็นกุศลได้แก่เวขาที่ประกอบด้วยปัญญาความชาญฉลาด ของท่านผู้บำเพ็ญเพียรที่เจริญไปโดยการกระทําไว้ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเขาทํากรรมใดไว้ดีหรือก็ตามชั่วก็ตามเขาจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโดยไม่มีขอบเขต จ, จํากัดว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือไม่ใช่ญาติคนทั่วไปหรือไมไ่ทั่วไปเนี่ยต่อถึงคนที่เป็นศัตรูต่อกันก็เจริญอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้โดยสม่ําเสมอไม่เลือกที่รักผักที่ชังเลยนะ บุคคลที่เจริญอุเบกขาแท้นี่จะมีสภาพจิตใจที่เบิกบานปราณีตแจ่มใสสุส ข, ขุมละเอียดนะสุ ข, ขุมละเอียดด้วยเป็นอุอเบกขาที่ละเอียดเพราะเป็นไปกับปัญญาอย่างละเอียดอ่อนสรุปก็คืออุเบกขาแท้เท่านั้นเป็นอุเบกขาที่ควรเพนคว ร, คว ร, ค, วรควรเจริญนะตนเองจะมีความสุขตารงรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องไว้ได้อย่างแท้จริงสามารถรักษาความยุติธรรมไว้ได้ไม่ลำเอียงไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก สามารถที่จะดำรงรักษาความถูกต้องกฎหมายกฎกติการะเบียบสังคมไว้ได้เป็นหลักธรรมที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเป็นหัวหน้าเป็นพ่อเป็นอะไรก็นะเป็นหัวหน้าเป็นครูอาจารย์แล้วก็เป็นเด็กก็ต้องควรเยาวางใจอย่างนี้เป็นต้นเป็นหลักธรรมที่มีสภาพที่เป็นกุศลจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาส่วนเวขาเทียมนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยกิเลส คือความไม่รู้เป็นการแสดงออกแบบเฉยแบบโง่จึงเป็นการแสดงออกวางเฉยในสถานการณ์ที่ไม่สมควรอาทีนี้ลักษณะของอุเบกขาใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะนะความรับผิดชอบต่อ ก, ก ร, รมที่เขาทำใช่มนี่ต้องการรักษาธรรมะรักษาความสุขต้องชอบธรรมลักษณะของอุเบกขาก็เป็นไปโดยการเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลาย ในลักษณะเขาจะเป็นกลางต่อสตัตว์ทุกจําพวกไม่ว่าจะเป็นรู้จักไม่รู้จักเป็นพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายหรือเป็นคนอื่นก็วางใจเป็นกลางได้เสมอเหมือนกันหมดหน้าที่กิจของอุเบกขามองเห็นความเสมอภาคกันในสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเขาจะไปทําหน้าที่เลยไม่ต่างกันเลยพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายตลอดถึงคนรู้จักไม่ไม่รู้จักเหมือนพุทเจ้าเนี่ยมองพระเทวทัศน์มองพระราหุนเหมือนกั น, น, กนวางใจเป็นกลางเนี่เหมือนกัน ผลปรากฏก็คือระ ง, งับความขัดเคืองความเสียใจและความคอยตามความยินดีเป็นต้นได้ขัดเคืองก็ไม่ขัดเคืองจะไปยินดีก็ไม่ยินดีสามารถระ ง, งับตัว น, นี้ได้ผลปรากฏประทัดฐานถ้าจะฝึกทําให้เวขาประเภทนี้เกิดขึ้นต้องฝึกใจแบบไหนมองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของของกรรมเป็นเจ้าของกรรมของตนว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้รับความสุขได้รับความทุกข์จะเสื่อมจากสมบัติหรือว่าจะได้รับสมบัติ ตามใจชอบได้อย่างไรไหมเขาจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวทั้งหลายอะไนี้เกิดจากกรรมเกิการกระทําของเขาฝึกจิตคิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วการวางใจเป็นกลางจะเกิดขึ้นนะมองเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองอย่างนี้เป็นต้นต่อไปนี่พอพูดถึงเรื่องอุเบกขาสรุปประเด็นตรงนี้ต่อไปกลับไปดูเมตตากรุณามุทิตาอเวกขาอีกครั้งนึง สภาพของเมตตาดังได้กล่าวไว้แล้วว่าใช้ในสถานการณ์ปกตินี่ไหมลักษณะของเมตตาก็คือเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะหน้าที่ของเมตตาก็คือน้อมนําประโยชน์ไปให้เขาเป็นกิจเป็นหน้าที่ผลปรากฏก็คือกําจัดอะไรกำจัดอาฆาตความพยาบาทความแค้นเคืองให้ปราศจากไปอะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตาเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายน่าเจริญตาเจริญใจนั่นแหละ สรุตรงนี้ก็คือสมบัติของเมตตาคืออะไรเนี่ยความสงบหายความแค้นเคืองความไม่พอใจนั้นเมตตาจะสมบูรณ์คุณเมตตาจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ก็เพราะว่าสามารถกําจัดความแค้นเคืองความไม่พอใจให้หายไปได้ใช่ไหมและอะไรเป็นวิบัติของเมตตาเะลาความเสน่หาความรักหรือตัณหาเนี่แหละนี่เป็นอย่างนี้ค่าศึกใกล้ของเมตตาคือราคะ ค่าสึกไกลของเมตตาคือพยาบาทความขัดเคืองความไม่พอใจมองเห็นนะเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจไม่เข้าใจ เ, าเริ่มงงแล้วงงไหมงงหรือไม่งงฮะไม่งงนะไม่งงเอากรุณาใช้ในสถานการณ์ที่สัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์หรือไม่ปกติ ลักษณะทั่วไปก็คือปลอดเปลื้องนะความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายดังกล่าวแล้วหน้าที่ของกรุณาคือไม่นิ่งดูดายทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความทุกข์กรุณาเวลาเกิดขึ้นผลปรากฏเกิดขึ้นก็คือความคิดไม่เบียดเบียนกําจัดวิหิงสาความคิดเบียดเบียนให้หายไปประทัน ฐ, ฐานของกรุณาคือภาวะเห็นที่สัตว์ทั้งหลายไร้ที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายที่อานานอนาฏเนาะสัตว์นี้กําลังประสบภาวะที่ไร้ที่พึ่งนี่แหละ ฉะนั้นสมบัติเมื่อเมื่ อ, อกรุณาเกิดขึ้นเนี่ยก็าสามารถสงบระงับวิหิงสาความคิดเบียดเบียนได้ไไวิบัติก็คือความเศร้าโศกต้งเกต่ยวดูความเศร้าโศกความธมนัตเกิดขึ้นถ้าพูดถึงข่าศึกข่าศึกใกล้ของกรุณาคือทมนัตคือความเศร้าโศกเสียใจข่าศึกไกลก็คือวิหิงสาคิดเบียดเบียนเนี่ยความคิดเบียดเบียนนี่แหละที่เป็นข่าศึก อภรรการต่อไปคือมุธิตามุธิตาก็คือใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายดีขึ้นเนี่ยเนี่ยเขากําลังประสบความสําเร็จลักษณะก็พอยินดีหรือยินดีด้วยหน้าที่ก็คือไม่ลิษยาเป็นปฏิปักษ์ต่อริษยานี่แหละผลปรากฏเขากระจัดลิษยาเสียได้ความไม่ยินดีและความทนไม่ได้ต่อความสุขความสําเร็จของบุคคลอื่นจะถูกกระจัดไปทันทีเหตุใกล้ของมุธิตาก็คือ เห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเขาสมบูรณ์เขามีความสุขเนี่ยพิจารณาเห็นปรารถนาอยากจะเห็นความสําเร็จของสัตว์เมื่อเห็นความสําเร็จเห็นความสมบูรณ์ทั้งใบในายนอกของเขาเนี่ยเกิดมุทิตาไงแบบกลุ่มบุคคลประเทเนี้ยฝึกเจริญไว้สมบัติของมุทิตาก็คือไร้ความริษยาสงบหายวิบัติก็คือเกิดความสนุกสนานจนกลายเป็นตัณหาใช่ไหม พอไปเห็นควับอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไปแสดงความยินดีกับเพื่อนกลายเป็นความปาร์ตี้สนุกสนานล่าเริงไปเลยใช่ไหมเคยไม <S 1> <S 1> บอกว่าวมูทิตาหน่อยว่าแสดงกันสุดฤทธิสุดเดดเลยเนี่ย น, นถ่ายภาพไปดนะูสนุกเต็มที่เฮฮาปาร์ตี้สุดยอดเลยไปกลายเป็นความวิความวิบัติซะนี่ ความไปล่าเรืองเกินเหตุล่าเรืองที่กลายเป็นอกุศลไปข้าศึกใกล้ของมุทิตาก็คือสมณัตก็คือว่าเช่นดีใจว่าตนจะพลอยได้รับผลประโยชน์นี่นะข้าศึกไกลก็คือว่าความไม่ยินดีไม่ใยดีความริษยาเนี่ยแหละอภิการต่อมาอุบเบกขาใช้ในสถานการณ์ที่ได้รักษาธรรมะตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาทํา เหมาะในการที่ว่าเออใช้ในสถานการณ์ที่ดํารงรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องรักษากฎเกณฑ์กติกาวไว้โดยไม่เลือกที่รักผักที่ชังลักษณะของเวขาเป็นไปโดยการเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายเลยนี่ยากหน่อยนี่ต้องมีปัญญาค่อนข้างมาวิจัยวางใจเป็นกลางสงบเงียบพิจารณาหลายรูปแบบหน้าที่ก็คือมองเห็นความเสมอภาคกันเป็นกิจเป็นหน้าที่เห็นไม่ต่างกันเลย เจนว่าพ่อตายกับคนอ <li ère S 1> <trailer. S 2> ื่นตายไม่ต่างคนที่เราลักตายกับคนที่เราเกลียดตายก็ไม่ต่างคนที่เราลักประสบความสำเร็จกับคนที่เราคนที่เราตายประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ต่างอคนที่เราเกลียดประสบความสำเร็จไม่ต่างกันผลปรากฏระงับความขัดเคืองความเสียใจความคอยตามดีใจได้ประัฐานเนี่ยมองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนว่าสัตว์ทั้งหลายจกได้รับความสุขหรือทุกข์ ไม่เสื่อมจากสมบัติได้ในที่ถึงตามใจชอบได้อย่างไรวะงั้นเถอะมันไม่สามารถที่จะได้ตามใจหวังตามใจชอบได้เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่เขาทำนั้นสมบัติก็คือสงบหายไม่มีความยินดีไม่มีความยิน้ายความวิบัติของอุเบกขาความเฉยแบบไม่รู้เรื่องเฉยโง่เฉยเมยเฉยเมินเนี่ยอันนี้อันนี้ความวิบัติแน่ๆเลยไม่ใช่อุเบกขาแท้ ค่าสึกใกล้ก็เป็นอัญญาณุเปกขาเฉยแบบไม่รู้เรื่องเฉยโง่เฉยเมยเนี่เป็นค่าสึกใกล้ค่าสึกไกลคือราคะความรักให้ปฏิคะความขัดเคืองความชอบใจความขัดใจนี่แหละแล้วก็ตัวอย่างมาตรฐานที่ทรงแสดงไว้ในพรหมวิหารในคมพีทั้งหลายเหล่านี้ยโดยมากจะยกเรื่องแม่ลูกเมื่อลูกยังเด็กเป็นเด็กเยาว์วัยอยู่เนี่ยนะ แม่ก็เมตตารักไข่เอาใจใส่ถนอมเลี้ยงให้เจริญเติบโต เ, เมื่อลูกเจ็บไข้เกิดทุกข์ภัยขึ้นมาแม่กรุณาห่วงใยปกปักรักษาหาทางบำบัดแก้ไขเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวสง่า ง, งามขึ้นมาแม่ก็มุทิตาพลอยปราบปลื้มหวังให้ลูกนั้นสดใสสนุกสนานประสบความสาเร็จเมื่อลูกรับผิดชอบกิจการหน้าที่ของตนเองและขวนขวายตัวเองได้ดีเพียงพอแล้ว แม่ก็มีอุเบกขามีใจนิ่งสงบเป็นกลางวางเฉยคอยดูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้โดยมากเวลายกหลักฐานยกเหตุผลมาในคำภีทั้งหลายก็จะยกตัวยกแม่กับลูกเนี่เยเห็นชัดในเรื่องของการที่จะทำให้การเจริญพรหมวิหารเนี่ยปรากฏออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่นะนี่ก็เป็นอันว่าพูดพรมวิหารได้ค่อนข้าง ครบพอสมควรแต่ยังไม่จบเออพระมิหารเนี่ยสี่ประการคือเมตตากรุณามุทิตาและเบกขาในการเจริญพระมิหารสี่ไม่สามารถเจริญไปพร้อมๆกันได้เนื่องจากมีสภาพที่แ ต, แตกต่างกันนะในพระวิธรรมเรียนไหมยังพระมิหารเรียนหรือยังในปริเคทที่เก้า เรียนหรือยังอัเอา้าวเดี๋ยวอธิบายไว้เลยเดี๋ยวต่อไปไปเรียนแล้วจะได้รู้ในภาพพิธ ร, รมเนี่ยแสดงเมตตาบอกว่าเมตตามีปียมนาปัสสัตวะวบัญญตัตเป็นอารมณ์อธิบายว่าผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปโดยหวังดีปรารถนาดีใ ห, ให้ให้เขามีความสุขสแสดงออกมาทางกายทางวิยาต่อเขาโดยประการที่ทาให้เขาได้มีความสุข กระทำและพูดสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เขาหากไม่ปรารถนาถึงสรรพสัตว์แล้วเมตตาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้นั้นเมตตาเรียกมีปิยมนาป่าสัตว์สัตว์ที่กําลังมีความก็คือมีความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายที่มีปกติปิยมนาสัตว์อันเป็นที่รักส่วนกรุณาเนี่ยมีทุกขิตสัตว์แต่ว่าบัญญัติเป็นอารมณ์ ก็คือว่ามีสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์เฮ้ยทั้งต่างกันกันกบว่าเมตานะเมตตาในปิยมนาเป่าสัตว์วบัญญัติคือสัตว์ที่มีมีความปกติของเขาอยู่ก็เกิดความรากักเกิดเมตีจิตเกิดความปรารถนาดีกับเขาส่วนกรุณานี่มีทุกขิตสัตว์คือสัตว์ที่กําลังได้รับความทุกข์ที่เห็นสัตว์นั้นประสบความทุกข์เกิดความตกยากก็กรุณาต้องการช่วยเหลือ เกิดความสงสารปราถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่กำลังได้รับอยู่ส่วนแสดงออกมาทางกายทางวาจาการขนขวายช่วยเหลืออย่างไรก็มีการแสดงออกมาเนี่ยหากไม่ปราถนาถึงทุกข์ขตสัตว์แล้วกรุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้นั้นต้องมีความมีสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์อยู่เป็นอารมณ์จึงจะสามารถยังกรุณานั้นให้เกิดขึ้นได้ก็ใช่หมส่วนมุทิตาเนี่ยมีสุขขิต สัตวแต่ว่บัญญัติเป็นอารมณ์ก็คือสัตว์ที่กําลังได้รับความสุขหรือกําลังได้รับความบันเทิงอยู่ประสบความสําเร็จอยู่นะี่เป็นอารมณ์มุทิตาไปยังสัตว์ทั้งหลายที่กําลังบันเทิงอยู่มีความสุขอยู่เช่นกําลังได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งก็พรอยยินดีความสําเร็จของเขาปลัถนาวุโเขาประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปแล้วก็แสดงออกมาใช่ไหมพอมีเมฆมุทิตาเกิดขึ้นในใจก็แสดงออกมา ทางกายทางวาจาในการขวนขวายสนับสนุนส่งเสริมอย่างไรว่าไปเนี่ยนะหากไม่ปารรสุ ข, ขิตตัสหรือสัตว์ที่กำลังได้รับความสุขแล้วในมุทิตาก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนอุเบขาเนี่ยมีมัชชตาสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์คําว่ามีมัชชตาสัตว์บัญญตัตเนี่ยความที่มีความเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายผู้บําเพ็ญเมตตากรุณามุทิตาชํานาญแล้ว ต่อมาบรรลุภาวะที่จะพิจารณาว่าพรหมวิหารสามข้างต้นนั้นแหละหยาบมันหยาบแล้วสาหรับเราแล้วฝึกจนสามารถเดินเมตตาจนคล่องกรุณาจนคล่องมุทิตาจนคล่องในใจแล้วที่ภาวะต่อไปก็คือต้องการจะเจริญธรรมะที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เลยมาพิจารณาว่าเมตตาอย่างหยาบอยู่กรุณายังหยาบอยู่มุทิตายังหยาบอยู่ ยังเกี่ยวข้องกับความสุขบ้างความทุกบ้างความพอยินดีกับสัต์ทั้งหลายบ้างใช่ไหมถือว่าหยาบนะเช่นว่า เ, ออเกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่สัตว์ที่เป็นปกติอยู่เนี่ยสัตว์ที่ผิดปกติในขาลงที่เขาประสบความทุกอยู่หรือสัตว์ที่เขาประสบความสําเร็จเป็นต้นอยู่เนี่ยดังนั้นจึงต้องการที่จะพ้นไปจากภาวะที่ยังหยาบที่ยังมีความหวั่นไหวแห่งจิตอยู่พยายามทําจิตให้สงบนิ่งเฉยบริสุทธิ์ผ่องใสมีอารมณ์อย่างเดียว อุเบกขาเอกกราตาเนี่ยโดยมีลักษณะปล่อยวางวางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยการกระทำไว้ในใจอันแยบคายว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเขาทำกรรมดีย่อมได้ดีทำกรรมชั่วย่อมไ ด, ได้ได้ผลชั่วดังนี้หากไม่ปารบถึงพรมวิหารสามข้างต้นซึ่งเป็นสัตว์ับรรยัตอุเบกขาก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นผู้มีผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ย จำเป็นจะต้องบำเพ็ญไปตามลำดับให้เหมาะสมตามสถานการณ์นั้น น, นต้องทำให้เหมาะสมในสถานการณ์ไหนควรเจริญเมตตาสถานการณ์ไหนควรเจริญกรุณาสถานการณ์ไหนควรเจริญมุทิตาและสถานการณ์ไหนควรเจริญอุเบกขาก็ใช้ให้ถูกแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องฝึกก่อนไหมต้องฝึกให้มีให้เกิดขึ้นไม่ใช่ยูยูมันจะเกิดขึ้นเองได้ไม่ใช่นะหลักพรมิหารเนี่ยไม่ใช่ อยู่ๆมันเจริญได้ง่ายๆเลยไม่ใช่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจเกิดความชานฉลาดทั้งนั้นที่จะสามารถผลักดันตัวกุศลให้เกิดขึ้นในกระแสของความคิดเป็นต้นเหล่า น, นี้ให้เกิดขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะต้องการที่จะฝึกเป็นมาตรฐานเลยใช่ไหมวิธีการเจริญเมตตาเจริญยังไงเจริญกโุายาณธรรมงไงฝึกเป็นมาตรฐาน ฝึกเป็นก <author>: ิจลักษณะเลยก็คือผู้ปฏิบัติกรรมฐานในใครจะเจริญเมตตาพลอยหาเอาแบบเป็นล่าเป็นสันเลยเนืเข้าใจพื้นฐานด้วยในพื้นฐานก็ใช้ได้และจะต้องการเจริญให้เกิดเป็นเนื้อเป็นตัวให้เป็นสมาบัติเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องตัดปริพอดน้อยปริพอดใหญ่อันเป็นเครื่องกังวลสิบประการซึ่งปรากฏอยู่ในคำพีวิสิิมากบ่าว่าอาวาสัมฉริยะก็คือที่อยู่ก็คือ หวงถิ่น ห, ว ง, หวงที่อยู่ใช่ไหมหวงที่อยู่เรื่งนี้คนติดที่อยู่จเจริญพราะพิหารไม่ได้สองตระกูลตระกูลอุปถากเป็นต้นหรือญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์ลาบสกาลานี่พ้นประโยชน์ติดหมู่คณะติดการงานทั้งหลายมีนวกรรมก่อสร้างติดการเดินทางนีหรือว่าญาติพี่น้องความเจ็บป่วยหรือการศึกษาการแสดงฤทธิ์เนี่ย เพื่อจะได้ปฏิบัติกรรมฐานโดยสะดวกไม่มีสิ่งที่รบกวนใจอันดับแรกก็คือพิจารณาเห็นโทษของโทสะเวลาจเจริญเมตตาต้องพิจารณาเห็นโทษของโทสะเนะืเพราะโทสะเนี่ยมีโทษไหมมีสิหลับเป็นทุกข์ใช่ไหมโทษของโทสะโทษของความเครียดความกัดกุ้มหลับเป็นทุกข์ตื่นเป็นทุกข์ฝันร้ายเทวดาไม่รักษา ไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไม่เป็นที่รักของอมนุษย์ไฟสตรายาพิษโรกร้ายก็เบียดเบียนสีหน้าเศร้าหมองฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยและตายก็ไปทุกข์ทด้วย น, ยว น, นี่แล้วก็พิจารณาถึงอานิสงส์ของขันติแล้วก็พิจารณาของอานิสงส์ของเมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นต้นด้วย แล้วก็โทษของโทสะมีมากมายตัวอย่างในพระสูตรว่าบุคคลผู้เกิดโทสะแล้วอันโทสะครอบงำแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายดังนั้นเขาก็ย่อมได้รับความโทมนัสว่าบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อบประพฤติกายยโสจริญบ้างวจีทุจริญบ้างม โ, โทุจริญบ้างเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวิบากนรกแล้วก็พิจารณาให้รู้อนิสงค์ของขันติ ทั้งนี้โดยอาศัยที่พระเจ้ทาทรงสแสดงเป็นหลักเช่นคันติมีความยับยั้งใจไว้เป็นธรรมเครื่องเผาบาปให้เหือดแห้งชั้นเยี่ยมเป็นตบะเป็นคุณสมบัตินะเมื่อบุคคลเจริญคันติฝึกคันติให้มีเกิดขึ้นมีกำลังแล้วคันติเป็นประดุจดังกองทัพของพรามคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความวิบัติที่จะนำไปซึ่งประโยชน์อันใหญ่หลวง ให้แก่ตนและคนอื่นที่บเสดยิ่งกว่าคันติย่อมไม่มีพอพิจารณาถึงคุณของคันติก็พิจารณาถึงโทษของโทสะก็จะละโทสะได้ขันติก็จะบรรลุได้ด้วยกําลังของภาวนาเมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณาเห็นโทษของโทสะและเห็นอนิสงค์ของคันติลำดับต่อไปก็ต้องทําความเข้าใจต่อบุคคลที่เราจะเจริญเมตตาก่อนว่าเมตตานะียมีสัตว์วัตบรรยัติเป็นอารมณ์เนะคือผู้ปฏิบัติก็ ต้องเจริญเมตตาไปยังบุคคลต่างๆเริ่มตั้งแต่บุคคลให้เจริญให้กับตัวเองนี่นะบุคคลที่มีควรเจริญเมตตามีอยู่สี่จำพวกหนึ่งบุคคลที่ไม่เป็นที่รักใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเจริญนะประการที่สองก็บุคคลที่เป็นเพื่อนที่รักยิ่งสมก็คือบุคคลที่เป็นกลางๆที่ไม่รักไม่ชังสี่ก็คือบุคคลที่เป็นคู่เวรกันเนี่ยนะ ไม่ควรเจริญเมตตาก่อนในบุคคลสีผู้ที่ปฏิบัติไม่ควรเจริญเมตตาไปเป็นอันดับแรกเหตุที่ยังไม่ได้ยังไม่ให้เจริญเป็นอันดับแรกก็เพราะว่าคนที่จะเจริญเมตตาเนี่ยประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาให้ฝึกเจริญเมตตาให้กับตนเองก่อนนะ เมื่อผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาในเพ่งเอาบุคคลที่เราเกลียดหรือชังไว้ในฐานะเป็นที่รักก็เป็นยากลําบากจริงห้ามไม่ให้เจริญในอันดับแรกๆก่อนหรือคนที่เรารักยิ่งทั้งหลายพอเจริญไปเจริญมาเนี่ยนันก็จะกลายเป็นตันหาเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าแล้วเธอถึงบอกกลุ่มที่สองเนี่ยบุคคลที่ไม่ควรเจริญเมตตาเลยเนี่ยหก็คือบุคคลที่ห้ามเจริญเมตตาโดยเจาะจงคือบุคคลที่ต่างเพศกันพอเจริญไปเจริญมาเนี่ยมันจะกลายเป็นตันหาเข้าใจไหม อย่างนี้เป็นต้นเพศตรงกันข้ามมีลักษณะที่พอเจริญไปแล้วเดี๋ยวตันหามันเกิดมีอย่างเช่นเป็นแฟนกันเขาห้ามจเจริญไปจเจริญมาแล้วคิดถึงกันนะตั้นหาเกิดเลยเนี่ย น, นี่ไม่ได้สรุปก็คือสาเหตุสำคัญที่ผู้ปฏิบัติเนี่ย ออไม่ให้ผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาไปยังเพศต่างเพศกันโดยเจาะจงก็เพราะถ้าเจริญรวมๆได้นะเป็นเหตุให้ราคะเกิดขึ้นมาแทนแต่ไม่ใช่ท่านห้ามไม่ให้เจริญเมตตาในเพศตรงกันข้ามนะแต่ว่าเจริญโดยการโดยรวมได้แต่เจาะจงไม่ได้และอีกบุคคลหนึ่งก็คือว่าเจริญไม่ได้เลยเลยก็คือบุคคลที่ตายไปแล้วในสถานะที่บุคคลที่ตายไปแล้วเนี่ยท่านห้ามเด็ดขาดเลย เพราะเหตุลายจึงห้ามเจริญบุคคลที่ตายไปแล้วก็เพราะว่าบุคคลที่เจริญเมตตาไปถึงคนที่ตายแล้วย่อมไม่สามารถจะบรรลุอัปนาสมาธิได้เพราะไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งเอาลำดับแห่งการเจริญเมตตาทำยังไงฮะก็เขาตายไปแล้วไม่มีอยู่จริงแล้วนันไม่มีอยู่จริงแล้วคนนั้นตายแล้วมีอยู่ที่ไหนแล้วเขาถึงห้ามเจริญมีอยู่ไหมคนนั้นเน่ะ ตายตายแล้วเขาถึงห้ามเจริญเมตตาคนที่ตายแล้วเพราะอะไรเพราะคนนั้นมีอยู่ไหมในเมื่ออารมณ์อันเป็นที่ระลึกมันไม่มีอยู่จริงมันจะสะท้อนเป็นผลให้เมตตาเกิดขึ้นได้มีพลังเป็นสมาธิได้อย่างไรเหมือนเราไปจับในสิ่งที่มันไม่มีอยู่อ่ะมันจะไปจับถูกไหมมันก็ไม่ถูก มันไม่มีอยู่แล้วหายไปแล้วตายไปแล้วแต่สามารถไปเจริญให้กับเทวดาได้ไหมได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดาไปเจริญในเทวดาเนี่ได้ไม่ใช่คนนั้นแล้วคนละคนหรือไปเป็นสัตว์นโลกเป็นอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวก็มีหลักการเจริญอันดับแรกเนี่ยลําดับที่หนึ่งเนี่ยให้เจริญเมตตาไปในตนเองใช่ไหมให้เต็มที่ก่อน ลำดับที่สองเจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นที่รักที่เคารพลำดับที่สก็คือเจริญเมตตาไปในเพื่อนผู้เป็นที่รักยิ่งเห็นไหมที่สองนี่ที่เคารพที่สก็คือเพื่อนที่รักยิ่งลำดับที่4ี่เจริญเมตตาไปในบุคคลที่เป็นกลางกลมาชัดต่บุคคลลำดับที่ห้าจึงเจริญเมตตาไปในศัตรูบุคคลที่เป็นคู่เวรกันแตคนที่เป็นศัตรูนี่เจริญดีหลังเลยอ่ะ ลำดับแห่งการฝึกนิ่หมายคือว่าต้องการฝึกให้เป็นลำดับเลยนะอันดับแรกเนี่ยที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทํากันก็คือเจริญเมตตาไปในตนเองเป็นอันดับแรกด้วยการภาวนาซ้ําแล้วซ้ําอีกร้อยครัง้งพันครั้งแสนครั้งทำไปเรื่อยจนกว่าจะประกอบไปด้วยเมตตากลายเป็นจิตที่อ่อนโยนจิตที่ควรต่อการงานเพื่อประโยชน์จะได้เป็นสักขีพยานแก่การเจริญปใ น, ในบุคคลอื่น ทั้งนี้เพราะความรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากับความรักตนไม่มีฉะนั้นท่านจึงแนะนําให้มีการเจริญเมตตาให้ตนเองเสมอเลยปรารถนาความบอกว่าความปรารถนาความสุขกลัวทุกข์อยากมีอายุยืนไม่อยากตายมันมีประจำอยู่อย่างนั้นน่ะก็จะเกิดขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็จะเปรียบเทียบไปในสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความปรารถนาเช่นเดียวกันหมดเลยเช่นขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขถือ อย่าได้มีความทุกขเลยใช่ไหมก็นึกถึงว่าเอ้อเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ปรารถนาความสุขจริงๆนะเรากลัวต่อความทุกข์แล้วก็ถามว่าทำไมขอไอค้คำว่าขอในที่เนี้มันเป็นภาษาอะหังสุกิโตโหมินิทุโขเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอย่าได้มีความทุกเลยเนี่ย ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์เลยนี่แปลว่าอะไรเราปรารถนาให้เราเนี่ยมีความสุขตั้งใจว่าเราจากให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขก็แปลว่าเราตั้งใจที่จะจําทําใจใเราเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับคุณความดีนั่นแหละคาว่าขอมัน ก, ก็กลายเป็นว่าเราจะทํา เราจะทํากระแสชีวิตของเราให้เป็นไปกับความสุขและเราจะไม่ทํากรรมที่เป็นเหตุทําให้เราประสบความทุกข์นั้นกายกรรมวิจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะดำเนินไปเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้ความสุขเกิดขึ้นแก่เราเท่านั้นอขอในที่นี้ก็คือเราจะเจริญกุศลนั่นเองจะทําจิตที่สะอาดเยี่ยมอ่องผ่องแผ้วให้เกิดขึ้น ทำจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องปองเพ่้ยลอเกิดขึ้นจิตที่เป็นไปกับความสุขจิตที่เป็นไปกับความชานฉลาดให้เกิดขึ้นแก่ตนใช่ไหมขอในที่นี้ก็คือการตั้งใจที่จะทําอย่างนี้นี่ความรักตนเป็นแบบนี้ความปรารถนาดีกับตนความรักตนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยทําสิ่งที่ดีๆีงามงามทั้งหลายเกิดขึ้นในตนด้วยพฤติกรรมที่เป็นไปกับศีลจิตที่เป็นไปกับสมาธิ ทัศนคความเห็นให้เป็นไปกบปัญญาตอนนี้ทําจิตให้เบิกบานผ่องแผ้วที่เป็นแก่ๆ ก, กับคุณความดีอเวโรอาพยาปโชอานีโคสุขิยัตานางเป็นอารามีเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีเวรต่อใครๆออไม่มีเวรต่อใครๆก็คือเราจัดทำชีวิตของเราเนี่ยการไปฆ่าเขาเนี่ยแปลว่าไปผูกเวรไหม นี่แปลว่ามีเวรไหมถ้าเอากระแสชีวิตไปฆ่าไปเบียดเบียนเนี่ยเอากระแสชีวิตไปรักไปช่อโกงไปคอร์รัปชันเอากระแสชีวิตไปประพฤติผิดในการมนำพากระแสชีวิตเนี่ยให้ไปกล่าวเทศบ้างกล่าวส่อเสียดบ้างกล่าวคำหยาบกล่าวเพื่อชื่อเอาของหมุนเมาใส่ในกระแสชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าได้สร้างเวรให้กับตนเองเรียบร้อยแล้วอย่างเนี้ชื่อว่าไม่รักตนชื่อว่าไม่เมตตาตน แต่ถ้าเรางดเว้นจากเวรภัยเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นความรักตนเป็นชื่อว่าปรารถนาดีกับตนอย่างแท้จริงความรักเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการกระทําแบบนี้ขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีจิตพยาบาทอาฆาตปองร้ายเห็นไหมว่าสภาพใจของเราเราจะรักษาใจไว้เราจะไม่คิดประทุษร้าย ใ, ใครอีกแล้วจะไม่คิดให้เขาอายุสั้นจะไม่คิดเขาวิบัต ไม่คิดจะไม่คิดให้เขามีอันเป็นไปในทางที่เสียหายเใช่ไหมเนี่ยห้ามด้วยแต่จะคิดให้ในทางที่ดีให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่ทําความผิดแต่งความทุกข์กายทุกใจเกิดขึ้นจะดูแลตนเองด้วยความฌานฉลาดดูแลกระแสชีวิตเพื่อเป็นปัจจัยต่อการจเจริญกุศลทั้งกายและใจทั้งหลายเนี่ยจะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นไปกับกุศลอย่างติดต่อและต่อเนื่อง ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งปวงเถิดเนี่ยเออในขณะที่เจริญกรุณเมตตากับตนเองบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องฝึกตนเองให้เข้าถึงความสุขทุกระดับใหได้เออความสุขในระดับไหนระดับศีลและสุขสุขในการพฤติกรรมที่เป็นไปกับศีลใช่ไหมหรืออภิญเศกสุขสุขในการที่ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหม สุขในการที่นำตนเองเนี่ยเป็นผู้ชาญฉลาดในการใช้ปัจจัย4ี่โดยการพิจารณาได้ปัญญาสุขในการที่ประกอบสมมาอาชีวะเป็นสุขหมดไหมสุขในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งที่มีสติสมัมมชัญญากรรกับอยู่กับตัวสุขในการที่ทำกำจัดนิวรธรรมคือการมาฉันทะพยาบาททีเนี่มีท่าอุเทจรกกุกุจวิ จ, กจกิกิจฉาออกจากคิดออกจากจิตใจสุขในการเข้าถึงปฐมชานสุขทุติยชาตนสุขตัทยาชาตินสุขเจดุทชานสุข อาการสาัญจาเยตนาสุขวิญญาัญญาเยตนาสุขอากิญญาเยตนาสุขและเหนวสัญญาณาสัญญายตนาสุขสุขในวิปัสนาสุขทุกระดับจนถึงมรรคสุขผลสุขจนถึงนิพพานสุขอนนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็คือลำดับแห่งความสุขที่เราจะเริ่มฝึกตนเองเป็นไปตามลำดับมองเห็นยังเนี่ยเขาเรียกว่าขอภาษาน่ยใช้ว่าขอแต่จริงจรงเนี่ยเราจะทําอธิษฐานแล้วทําตั้งใจแล้วทํา ถึงตนเองแบบนี้จิตจะสะอาดเอี่ยมอ่องฟ่องแผ้วจริงๆขอสัตว์กรณีอย่างนี้ก็คือว่าอันนี้ฝึกฝึกให้กับตนเองคิดให้ถึงตนเองแบบนี้พอจะมีแนวทางในการคิดไหมยากไหมถ้าคิดแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาครับ แผ่เมตตาตัวเองได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องแต่หลายๆคนพอไปนั่งขอมันไม่ไปได้แต่ปากอาหารสุกีโตโหมินิทุขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะไรขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลย ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตัวในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปงวงเถิท่องเงี้ยแล่วได้ไหมไม่ได้ที่ท่องอย่างนี้โดยมา ก, กไม่ค่อยได้ไงไม่ได้ฝึกให้เกิดให้มีมขึ้นจริงๆอย่างการที่จะทําให้ตนเองมีความสุขนี่คือทํำยังไงใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเนี่ยก็คือตั้งอัธยาศัยว่าเราจะไม่ทําทุกข์ให้กับตนเอง อคนเครียดเนี่ยคนกลุ่มคนทุกข์ใจทั้งหลายเหล่านี้ยอย่างนี้ชื่อว่าเมตตาตัวเองไหมเมตตาตัวเองคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมนี่เมตตาตัวเองไหมที่ว่าเขาเจริญเมตตาตัวเองไหมคนโกรธคนอื่นนี่เมตตาตัวเองไหมไม่เล ย, เนยคนที่ไม่เจริญในศีลในสมาธิในปัญญาเชื่อเมตตาตัวเองไหมเห็นไหมว่า นั้นที่เมตตาตัวเองเนี่ยมันต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆ ท, ที่เรามานั่งศึกษาพระธรรมเนี่ยเป็นการราังเกียจตัวเองใช่ไหมในเดียรเราทำแบบนี้ใช่ปะระเบียดเบียนตัวเองไหมยอย่างนี้ชื่อว่าเบียดเบียนตัวเองหรือว่ารักตัวเองถ้ารักตัวเองนี่มจะตั้งใจไหมโอ้ตั้งใจไม่มีแล้วตั้งใจเต็มที่แล้วอันนี้มันตัวเองได้ล้วนๆเลยใช่ไหมล่ะ ถ้าข้อมูลเหล่านี้ตนเองได้ตนเองเข้าใจได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยชีวิตของตอนเองจะดาเนินไปอย่างถูกต้องดีงามจะประสบความสุขจะประสบความสาเร็จจะพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยโอ้โหนะเอาที่มันแรกเอาอะไรมาแรกก็เอาเนะอย่างเงี้ยนี่ความรักตนเองมันรักอย่างนี้นมีใครจะถามอะไรไหมจริงๆพวกเรานะ่าจะถามอะไรกันเนะอะพูดก็เดียวเลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่คิดถามอะไรกันเลยไม่มีเลย สงสัยต้องให้ไปนั่งคิดปัญหากันแลน้วทีนี้เอางี้ให้การบ้านดีกว่าไปทำการวิจัยเรื่องพร ม, มิหารโดยเฉพาะเมตมาตาเหมือนลองไปศึกษาและดูซิเอเอไปหาข้อมูลมาในตำรับตำรามีในชีวิต จ, จริงมีไปดูนะอะดูพร ม, มีหารข้อแรกพอนนี้ยังไม่จบเลยวิธีการเจริญแต่ละข้อแต่ละขอ้อยังไม่ได้อะไรอันนี้สมควรเกี่ยวเวลา